ชีวิตของพวกเรานี่เป็นเหมือนรถยนต์ที่ยังเดินทางอยู่เรากำลังเดินทางหาบ้านของเราอยู่แต่เรายังไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนเราเลยวนไปเวียนมาโชคดีของพวกเราชาตินี้ได้มาเจอแผนที่แผนที่ที่จะบอกทางให้เราได้ไปถึงบ้านของเรา ก็คือพระพุทธศาสนานี่งพระพุทธศาสนานเป็นแผนที่แล้วก็บอกให้พวกเราชาติเรายังเดินทางไม่ถึงบ้านเราต้องหมั่นเติมน้ำมันเวลาขับรถผ่านปั๊มน้ำมันไปควรเจะแวะเจอเติมเรื่อยๆให้มันเต็มถังอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปถึงบ้านเรา เมื่อไหร่นั่นเองนี่แหละคือจิตใจของพวกเราตอนนี้หาบ้านกันบ้านที่พวกเราหาก็คือบ้านที่ให้ความสุขที่ถาวรบ้านที่ไม่มีความทุกข์แต่ทุกวันนี้เราไปเจอบ้านที่ไม่ถาวรความสุขไม่ถาวรแล้วก็มีความทุกข์เช่นภพชาติต่างๆที่เรามาเกิด น, นี้ เรียกว่าเป็นบ้านแต่ไม่ใช่เป็นบ้านที่แท้จริงของเราเรายังไม่รู้ว่าบ้านที่แท้จริงเราอยู่ตรงไหนเราก็เลยหลงทางขับไปหาบ้านที่ไม่ใช่เป็นบ้านที่แท้จริงบ้านที่ถาวรเป็นบ้านชั่วคราวเหมือนโรงแรมเหมือนที่อยู่อาศัยชั่วคราวพอถึงเวลาเขาก็ไล่เราไปร่างกายนี้พอ เขารับใช้เราไม่ไหวเขาก็ไร่เราไปเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องไปแล้วพอร่างกายนี้ตายเราก็ต้องขับรถต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นแผนที่บอกทางให้กับพวกเราพวกเราจะไม่มีวันที่ได้เจอบ้านของเราเลย พวกเรานี้หาบ้านของเรามาไม่รู้กี่ล้านกี่แสนล้านชาติแล้วหามาอยู่เรื่อยๆหามาที่ไลก็ไม่ได้เจอบ้านที่แท้จริงสักทีเป็นบ้านชั่วคราวอยู่ได้เจ8 0ปี90ปีก็ต้องออกเดินทางต่อไปจนกว่าเราจะได้มาพบกับแผนที่ ซึ่งนานานจะปรากฏขึ้นมาให้บอกทางให้แก่สัตวโลกสักครั้งหนึ่งคือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี้เป็นของที่ยากมากนานา น, านจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ถูกระวันที่หนึ่งหอครั้งยังง่ายกว่าการเกิดของพระพุทธศาสนา การเกิดของพระพุทธเจ้านะการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่มากกว่าห้0ครั้งรานะงวัลที่หนึ่งห้ายครั้งคิดว่าใครบ้างจะสามารถถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในชาตินี้ได้ถึง500ครั้งไม่มีใครที่จะสามารถถูกได้เพราะโอกาสนี้มันยากมาก แล้วยิ่งการได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนานี่มันยิ่งยากกว่าทูกรอตลีรางวัลที่หนึ่งห้าร้อครั้งสี่แต่ชาตินี้เราถือว่าโชคดีบุญมากวาสนามากได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้พบในขณะที่เราเป็นมนุษย์กันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วพบกับพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราจะไม่สามารถดูแผนที่ได้เช่นถ้าเรามาเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขอาศัยอยู่ตามวัดตามวาัตา่างพวกนี้เขาไม่มีโอกาสที่จะฟังเทศฟังธรรมได้เขาจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเดินทางไปทิศทางไหนกันเขาได้อย่างมากก็ที่พึ่งพาอาศัย อยู่ไปชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นถึงแม้ว่าได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะจะอ่านแผนที่ไม่ออกจะฟังธรรมไม่ได้อย่างวันนี้พวกเราฟังธรรมกันได้แต่พวกสุนัขพวกแมวพวกนกที่มาอาศัยวัดอยู่เขาไม่สามารถฟังได้ นี่คือสิ่งที่เราได้สองประการและประการแรกได้มาเจอพระพุทธศาสนาประการที่สองได้เป็นมนุษย์แล้วประการที่สาคือได้มีเวลาคือชีวิตของเรายัางไม่ตายไปการดำรงรักษาชีวิตของเรานี่ก็ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าใครจะตายไปเมื่อไหร่เวลาใดบางคนเกิดมาได้วันเดียวตายไปก็มีบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เดือนหนึ่งบางคนก็ปีหนึ่งบางคนก็สิบปีการที่พวกเรายังมีชีวิตอยู่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐอีกอันหนึง่งเพราะว่าถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา แต่เราไม่มีชีวิตอยู่เราตายไปเสียก่อนเราก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงบ้านของเราได้เพราะพอเราตายไปเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเราก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาบอกทางให้แก่เราไปดังนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจึงอย่าประมาทอย่าปล่อยให้เวลา ที่มีคุณค่านี้หลุดลอยไปโดยไม่ได้เอามาเติมบุญเติมกุศลไม่ได้มาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ได้เดินทางไปถึงบ้านของเราได้ถึงแม้จะมีแผนที่ถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ สามารถดำเนินชีวิตให้ไปถึงบ้านที่เราต้องการไปกันได้แต่ถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็จะไปไม่ได้งั้นสิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีเวลาได้ศึกษาและได้ปฏิบัติคำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็ได้มีเวลามาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว สิ่งต่อไปที่เราควรจะมีกันก็คือมีเวลาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากันเพราะถ้าเราเริ่มปฏิบัติก็เท่ากับเราเริ่มออกเดินทางขับรถไปตามแผนที่ที่เราได้ศึกษาได้ดูถ้าเราได้ออกเดินทางและมีแผนที่คอยบอกทางให้แก่เรา เราก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปกันได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่มีแผนที่และได้ออกเดินทางไปตามแผนที่นั้นและได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาปรารถนากันมาเป็นจำนวนมากแล้วบุคคลเหล่านี้เราเรียกท่านว่าพระอรหันตสาวกนั่นเอง พระอรหันตสาวกก็เป็นเหมือนพวกเราที่กำลังเดินทางหาบ้านอยู่แล้วก็โชคดีได้มาเจอแผนที่ได้มาเจอคาสอนของพ่อพ่เจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็รู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใดก็ออกเดินทางปฏิบัติตามแผนที่แผนที่บอกให้ทําทานก็ทําทาน แทนที่บอกให้รักษาศีลก็รักษาศีลแทนที่บอกให้บวชก็บวชกันพอบวชกันก็ได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่พอปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ไม่กี่ปีก็ถึงจุดหมายปลายทางได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้บรรลุพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การเวียนว่ายตายเกิดก็คือการหลงทางเนี่ยพวกเราตอนนี้หลงทางกันแทนที่จะไปเจอบ้านที่แท้จริงบ้านที่ถาวรเรากลับไปเจอบ้านปลอมบ้านชั่วคราวเช่นร่างกายนี้เป็นบ้านปลอมของพวกเราอยู่ได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปแต่ถ้าเราได้พระนิพพานเราจะได้บ้านที่ถาวรจะไม่มีวัน จากเราไปจะเป็นของเราจะให้ความสุขกับเราไปตลอดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้กันตอนนี้พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกไม่ต้องเดินทางเหมือนพวกเราแล้วท่านเดินทางถึงบ้านที่ปลอดภัยแล้วบ้านที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรามังสุขขังแล้วบรมะสุข บรลมาสุขก็คือความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาแทรกแซงนี่แหละคือจุดหมายปลายทางที่พวกเราจะเดินทางกันไปและจะไปถึงได้ถ้าพวกเราเชื่อคําสอนของพระพทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตอนนี้พวกเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แบบรักพี่เสียดายน้องบ้านหลังนี้ก็ยังรักยังหวงอยู่ยังเสียดายอยู่ถ้าเรายังเสียดายบ้านหลังนี้อยู่คือร่างกายนี้อยู่เราก็จะไม่สามารถออกไปปฏิบัติได้ออกไปบวชได้เพราะเรายังอยากจะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ยังอยากกินอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูฟัง อะไรต่างๆตามใจอยากของเราถ้าเรามาบวชเราก็จะไม่สามารถทำได้ถ้าเราไม่บวชเราก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงบ้านของเราได้จะเอาอย่างไรจะเอาบ้านชั่วคราวนี้ซี่เหลืออีกเวลาอีกไม่กี่ปีลองคำนวณดูบวกลบดูอย่างมากก็ไม่เกินร้อยตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วเหลื อ, อ ก, กี่ปี แ ล, แล้วได้อะไรบ้างจากบ้านหลังนี้ความสุขที่ได้จากบ้านหลังนี้มันหายไปไหนหมดแล้วไปเที่ยวมาเมื่อคือนนี้ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไปกินไปดื่มมาเมื่อคืนนี้ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วมันหายไปหมดมันไม่เคยมีหลงติดอยู่กับใจของเราเลยสิ่งที่หลงติดอยู่กับใจก็คือความหิวความอยากนั่นเองยังหิวยังอยากอยู่ เราให้ได้กินเท่าไหร่ก็ยังหิวยังอยากอยู่เราให้ได้ดื่มเท่าไหร่ก็ยังหิวยังอยากอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะพอมไม่มีวันพอถ้าเราทาตามความอยากของเราเราจะถึงบ้านที่มีความอิ่มความพอได้เราต้องหยุดความอยากเท่านั้นและวิธีการจะหยุดความอยากได้ ก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราทำกันนั่นเองเช่นให้เราทำทานทาทานนี้เพื่ออะไร<ม>เพื่อตัดเงินทองที่เราจะไปใช้ซื้อความอยากต่างๆนั่นเองเราอยากไปเที่ยว<ม>เช่นช่วงสงการนี้อยากจะไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาต้องใช้เงินสี่ห้าหมื่นเอาเงินสี่ห้าหมื่นดีมาทำบุญดีกว่าะจะได้ไม่มีเงินไปเที่ยว เอาเงินสี่ห้าหมื่นมาอยู่วัดแล้วจะได้มาปฏิบัติทำเพื่อที่จะได้หยุดตันหาความอยากต่างๆการที่เราไม่ไปเที่ยวตามความอยากนี้ก็เท่ากับได้หยุดมันแล้วทุกครั้งที่มันอยากให้เราไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทาบุญทุกครั้งที่มันอยากจะให้เราซื้อของไม่จำเป็นเราก็เอาเงินนี้ไปทาบุญ ถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปความอยากเที่ยวอยากซื้อข้าวของอะไรต่างๆก็จะหมดไปแล้วเราก็จะไปอยู่วัดได้เราก็จะไปปฏิบัติได้นี่คือหน้าที่ของการทำทานเพื่อตัดความอยากใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆนี้ความสุขต่างๆที่เราหานี่ มันเป็นความสุขปลอมมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาไม่ได้เที่ยวนี้เป็นยังไงจะดิ้นตายให้ได้เวลาไม่ได้ดูได้ฟังสิ่งที่อยากดูอยากฟังแล้วเป็นยังไงจะดิ้นตายให้ได้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์ในคราบของความสุขมันหลอกเราเหมือนโจรผู้ร้าย ที่เป็นมาในคราบของเพื่อนสนิทมิตรสาหาเนี่ยระวังเพื่อนสนิทมิตรสหาหไว้ให้ดีวันดีคืนดีเขาแสดงท่าทแท้ออกมาก็จะรู้ว่ามันเป็นศัตรูในวามันไม่ได้เป็นมิตรแท้เลยเวลาเกิดการทะเลาะกันเกิดการแก่งแย่งสมบัติกันก็จะรู้ว่าเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าเป็นมิตรกันจริงหรือเปล่า หรือว่าจะมาฆ่าฟันกันเพื่อมาแย่งทรัพย์สมบัติกันอันนี้แหละคือความสุขที่พวกเราหากันมันเป็นความสุขที่เป็นความทุกข์ที่หุ้มห่อด้วยความสึกเหมือนยาขมที่หุ้มห่อเคลือบด้วยน้ําตานี่แล้วอมเข้าไปใหม่ๆก็หวานดีอ้อน้ําตาลที่เคลือบหายไปทีนี้ก็เหลือแต่ความขมขื่น ฉันได้ความสุขต่างๆที่เราได้รับผ่านทางร่างกายนี้ก็เป็นแบบเดียวกันหวานใหม่ๆแต่งงานกันใหม่ๆนี่หวานเจี๊ยบเลยเพออยู่ไปนานๆเข้าความหวานก็หายไปเหลือแต่ความขมต้องอยู่แบบหวานอมขมกลินไปเกินไม่เข้าขายไม่ออกจะคายไปก็เสียดายจะเกินเข้าไปก็เกินไม่ลงนะ จะหยาดกันก็หยาดไม่ได้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องทนอยู่กันไปก่อนนี่นี่คือลักษณะของความสุขที่เราใช้ผ่านทางร่างกายถ้าเราเลิกหาความสุขแบบนี้แล้วไปบวชกันเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความขมซ่อนอยู่ภายในไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ภายใน ถ้าเป็นน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลทั้งนั้นไม่มียาขมอยู่ภายใต้น้ำตาลนั้นก็นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบแล้วก็สอนให้พวกเรามาหาความสุขกันความสุขแบบนี้แหละเป็นบ้านของเราที่แท้จริงเพราะถ้าเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาบ้านชั่วคราวอย่างที่เรากำลังหากันอยู่ ถ้าเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องทุก์ไม่ต้องวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆดังนั้นการทำทานนี้จึงต้องทําเพื่อตัดความอยากต่างๆเวลาอยากจะซื้ออะไรที่ไม่จาเป็นเอาไปทำทานเสีย แล้วต่อไปเราจะไม่มีความอยากซื้ออะไรแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองกันให้เหนือยากไปเปล่าๆหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้เงินทองเพื่อซื้อความอยากต่างๆเอามาทําทานเสียแล้วความอยากซื้อของต่างๆก็จะหมดไป เมื่อไม่มีความอยากซื้อของก็ไม่ต้องไปทำงานทำการไม่ต้องหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลาไปบวชกันได้ไปรักษาศีลกันได้ไปปฏิบัติธรรมกันได้เพราะการที่เราจะไปถึงความสุขที่แท้จริงนี้เราต้องถือศีลของนักบวชคืออย่างน้อยก็ต้องถือศีลแปดให้ได้ไม่ใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆ เมือนกับเวลาที่เราถือศีลห้าการถือศีลห้านี้เรายังใช้ร่างกายหาความสุขได้ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้ยังไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงได้ยังไปกินอาหารตามเวลาต่างๆได้แต่ถ้าเราอยากจะหาความสุขที่แท้จริงเราต้องสละความสุขปลอมเหล่านี้ไป ถ้าเราถือศีลแปดเราก็ร่วมหลับนอนกับแฟนของเราไม่ได้เราจะรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ได้ที่ให้ทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองถ้าเราไปนอนหลับร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะไม่มีเวลามานั่งไหว้พระสวดมนต์มานั่งทำสมาธิทําใจให้สงบไม่มีเวลามาฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดปัญญากันนั่นเองเราก็จะไปเสียเวลาไปกับการร่วมหลับนอนไปเสียเวลากับการรับประทานอาหารไปเสียเวลากับการไปดูมห์ลสพเครื่องบันเทิงต่างๆไปเสียเวลากับการเสริมความงานของร่างกายไปเสียเวลากับการหลับนอนมากจนเกินไปเวลาที่จะเอามาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงจึงไม่มีถ้าไม่มีศีลแปดเราจะไม่มีเวลามาปฏิบัตินี่คือหน้าที่ของศีลแปดมมไว้เพื่อให้เราจะได้มมเวลามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบเราก็จะถึงบ้านของเราถึงความสุขบ้านที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงนี่คือ เรื่องของการมาสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยที่แท้จริงต้องสร้างด้วยการปฏิบัติตามคาสอนของพ่อพระเจ้าพยายามทําทานอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินซื้อของที่ไม่จําเป็นทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้เอาไปทําทานเสียแล้วต่อไปเราจะไม่มีความอยากเที่ยว ไม่มีความอยากจะซื้อของอะไรต่างๆเมื่อไม่มีความอยากเที่ยว อ, อยากซื้ออะไรเราก็จะไปบวชได้ที่สาเหตุที่พวกเราบวชกันไม่ได้ก็เพราะยังอยากเที่ยว อ, อยู่ยังอยากซื้อข้าวซื้อของซื้อขนมนมเลยซื้อเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาเสกกันอยู่ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีวันที่จะไปปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เราก็จะไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงบ้านของเราได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะไปให้ถึงบ้านของเราเราต้องทำตามตาที่พระุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเพราะพระุทธเจ้าก็มีทรัพย์สมบัติมากกว่าพวกเราตั้งหลายร้อยเท่าเป็นพระาราชโอรสมีภาษาสามฤดูท่านยังสละได้เลยเพราะถ่านเห็นโทษของการติดอยู่กับความสุขทางร่างกาย พอทรงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนั่นเองเห็นว่าต่อไปร่างกายของพระองค์<ม>ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลาแก่เจ็บตายก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์แล้วพอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พระองค์จึงกล้าที่จะเสียสละสิ่งต่างๆที่ให้ความสุข ผ่านทางร่างกายไปเพื่อที่จะได้มีเวลาไปหาความสุดที่แท้จริงที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือทําใจให้สงบเมื่อสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้ให้อยู่ไปตลอดเวลาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยา เพราะทำตามความอยากแล้วความอยากไม่หมดแต่จะมีความอยากเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าอยากจะให้ความอยากหมดก็ต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นนี่คือปัญญาที่จะต้องสอนใจเวลาที่ออกจากความสงบมาถ้าสอนได้ก็จะหยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะกลับคืนมา แล้วก็จะอยู่กับใจไปตลอดถ้ามีความสุขตลอดเวลาอยู่ภายในใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะไม่มีความอยากที่จะไปหาร่างกายมาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปนั่นเองนี่แหละคือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเติมน้ํามันอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราได้เดินทาง ไปถึงบ้านของเราถ้าเราไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันหมดเราก็จะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้นั่นเองจึงขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอาหัยตาสาวกเป็นตัวอย่างว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอาลัยตสาวกได้อย่างไร ท่านเป็นได้เพราะเหมือนกับที่พวกเราทำอยู่หรือเปล่าการกระทำของพวกเราที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นการกระทำที่จะทำให้เราเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราต้องเปรียบเทียบดูถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำตัวของเราให้เหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ได้เป็นของยากเย็นเลยการให้นี่มันง่ายกว่าการหาต้อเยอะแยะ ให้เงินคนอื่นนี่มันง่ายกว่าของเงินคนอื่นใช่ไหมเวลาอยากจะของเงินคนอื่นนี่ขอไปปากเปียกปากฉี่เขาก็ไม่ให้เราแต่เวลาให้เงินเขานี่มันง่ายจะตายไปควักกระเป๋าออกไปยกให้เขามันก็ได้แล้วแต่ทำไมไม่ทำกันเพราะความหลงเพราะคิดว่าเงินทองเป็นสวรรค์เงินทองเป็นที่พึ่งคามจริงแล้วมันเป็นนรกโดยที่เราไม่รู้สึกตัว ทุกวันนี้ที่เราทุกกันไม่ใช่ทุกเพราะเรื่องเงินทองเหมอนนั่นแหละนี่แหละจึงขอให้ทำเถอะมันง่ายมันไม่ยากหรอกการทําทานนี่มีเท่าไหร่ก็ยกให้เข้าไปหมดมันก็จบพอหมดแล้วก็จะได้ไปบวชได้ไปบวชก็รักษาศีลก็ง่ายเพราะเวลาบวชไม่ต้องมีอะไรทํานอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นเองนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ ก็ถึงบ้านของเราได้ไง่ายแสนง่ายกับไม่ทํากันกลับไปทําของที่ยากทาแล้วก็ไม่ได้ไปถึงบ้านของเราทําแล้วแทนที่จะมีความสุขกลับไปเจอความทุกข์ซีไปแต่งงานกันเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กันแล้วเดี๋ยวก็ต้องทะเลาะวิวาส ก, กันหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องพัดพรากจากกันแล้วก็ต้องมาล้องผมร้องห่ากัน ของง่ายกับไม่ทำกับชอบทำของยากกันแล้วผลก็เป็นยังไงก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองอย่างนั้นขอให้เราดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างทำแบบท่านแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรก่บเวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพลงกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมาีแต่ความสุขเิรด้วยอายุวันนัสุขภาะโดยทั่วหน้ากันเธอ